วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการอยู่จำพรรษาของพระภิกษุสมมออามเณรประจำปีพุทธศักราช2558ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11ปกติเวลาวันที่ขึ้น15ค่ำ หรือแลมสิบห้าคำนี้พระพุทธเจ้าท่งบัญญัติให้พระภิกษุเข้าประชุมกันเพื่อฟังพระปฏิโมกข์พระปฏิโมกข์ก็คือศีลของพระมีอยู่สองข้อเป็นการทบทวนความจำเพื่อรักษาพรหมจรรย์ พระสาริบุตรเคยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างไรที่จะทำให้พระมรร์ น, นี้ตั้งอยู่ได้ยาวนานพระพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องมีระวินัยต้องมีพระปฏิโมกในยุคนั้นเป็นยุคเริ่มแรกของพระพุทธศาสนาตอนที่พระสาริบุตรกราบทูล น, นั้น ยังไม่มีพระมากและยังไม่มีลาบสักการะมากและพระส่วนใหญ่ก็เป็นพระที่บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลพระพุทธเจ้าจึงทรงตัดว่าตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบัญญัติพระวินัยขึ้นมาเพราะว่าพระ ยังมีน้อยและเป็นพระที่เป็นพระอริยบุคคลทั้งนั้นสองลาบสาการะที่ทำให้เกิดกิเลสทันหาขึ้นมาก็ยังมีไม่มากเลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบัญญัติพระวินัยขึ้นมาแต่ต่อมามีมมมมมคนมีศรัทธามากขึ้นได้เข้ามาบวชกันมากขึ้น โดยที่ไม่ได้เป็นนักบวชมาก่อนเป็นคารวาสผู้ครองเรือนมาบวชแล้วก็มาปฏิบัติโดยที่ไม่รู้ว่าการอยู่ของพรหมจรรย์ของผู้ที่มีพรหมจรรย์ น, นั้นอยู่อย่างไรก็เลยมีการทำผิดมีความประพฤติไม่เหมาะสมกับ ผู้ถือเพศพรหมจันทร์เช่นมีชายคนหนึ่งเป็นลูกของเศรษฐีมีความปรารถนาที่จะบวชอย่างแรงกล้าแต่บิดามารดามีลูกชายคนเดียวก็ไม่ยอมให้บวชลูกชายก็เลยประท้วงด้วยการอดอาหาร ไม่ยอมกินอาหารจนกว่าจะได้บวชบิดามารดาก็าไปขอร้องให้เพื่อนฝูงของลูกชายมาเกลี้ยกล่อมแต่เกลี้ยกล่อมอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใจลูกชายได้ก็เลยต้องอนุญาตให้บวชแต่หลังจากบวชแล้วก็ยังอยากจะมีหลาน เพื่อที่จะสืบทอดสกุลสืบทอดมรดกของเศรษฐีชายคนนี้มีภรรยาก่อนที่จะมาบวชพอถึงช่วงที่ตกฤดูก็เลยพาภรรยานี้มาหาพระแล้วขอร้องให้ร่วมหลับนอนกันเพื่อจะได้ผลิตหลานขึ้นมา ตอนนั้นไม่มีพระวินัยข้อบัญญัติห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนเสพกามชายคนนั้นก็เลยคิดว่าพระพระรูปนั้นก็เลยคิดว่าไม่มีความเสียหายอะไรก็เลยร่วมหลับนอนกับภรรยาอดีตภรรยาของตนแต่หลังจากนั้นมาจิตใจก็ไม่สบายร่างกายก็สู้ผอม พระเพื่อนก็เลยถามว่าเป็นอะไรก็บอกว่าไปร่วมหลับนอนกับอดีตภรรยาก็เลยไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังเอพระพุทธเจ้าก็ทรงว่าทรงตรัสว่าการเป็นนัก บ, บวชเป็นเพศพระจัรย์ น, นี้ไม่เหมาะสมที่จะไปร่วมหลับนอนกับใครก็เลยปรากฏมีการบัญญัติ ศีลข้อแรกของพระขึ้นมาก็คือปราชิกข้อที่หนึ่งคือการเส่เมตุนห้าไมา่ให้พระเส่เมตุนนี่คือเป็นที่ไปที่มาของพระวินัยหรือพระปาฏิโมกข์ศีลสอง้อยี่สิบเจ็ดข้อของพระภิกษุ่อามามีผู้สนใจมาบวชกันมากขึ้นมากขึ้น ก็มีการกระทาที่ไม่เหมาะสมต่อเพศพรหมจาร์มากขึ้นก็มีคนไปร้องเรียนกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สองเรียกมาต่าสวนเมื่อได้ความแล้วก็ลงมติว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรไม่ควรก็บัญญัติเป็นข้อห้ามขึ้นมาตามลำดับจนมีศีลอยู่สอง้อยดข้อด้วยกัน ข้อห้ามต่างๆที่พระภิกษุไม่ควรประพฤติเพราะว่าเมื่อประพฤติไปแล้วจะทําให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ผู้ที่แก่แก่ตัวพระภิกษุเองและแก่พระพุทธศาสนาเพราะจะทําให้ผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเสื่อมศรัทธาได้ และจะทำให้ผู้ไม่มีศรัทธานั้นไม่เกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วถ้าอยากจะรักษาความบริสุทธิ์ผุดผ่องของพรหมจรรย์พระภิกษุจะต้องลงทุกกึ่งเดือนคือทุกสิบห้าวันคือวันพระวันขึ้นสิบห้าค่ำหรือวันแรมสิบห้าค่ำสิบสี่ค่ำเป็นวันที่พระภิกษุจะต้อง ประชุมกันแล้วทบทวนสีลสองยข้อเรียกว่าลงปฏติโมกลงไปฟังพระปฏติโมกจะมีพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้อ่านคือเป็นผู้ท่องจำสีลสองยีข้อแล้วก็แสดงออกมาเป็นภาษาบาลีแล้วก็มีพระอีกรูปหนึ่งเปิดดู หนังสือทบดดว่าพระภิกษุที่แสดงนั้นแสดงถูกต้องหรือไม่อันนี้เรียกว่าเป็นการลงฟังพระปฏิโมกข์ของพระภิกษุที่จะพระภิกษุถ้ามีตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปจะต้องมีการฟังพระปฏิโมกข์ถ้าอยู่รูปเดียวก็ให้ทำความเข้าใจด้วยตนเอง ในตนเองว่าวันนี้เป็นวันทบทวนศีลของตนเช่นพระภิกษุ ท, ที่ไปจารึกอยู่ในป่าคนเดียวไปปีกวิเวกไปทุดงก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานให้ทบทวนด้วยตนเองว่าศีลของตนสองยข้อนี้บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์หรือไม่ ถ้าไม่ก็ควรที่จะปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้รักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์ไว้นี่คือเรื่องของพระปฏิโมกที่จะเกิดขึ้นทุกสิบห้าวันคือวันสิบห้าคขึ้นสิบห้าค่ำแรมสิบห้าค่ำหรือแรมสิบสี่ค่ำวันนี้ก็เป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำแต่เป็นกรณีพิเศษเป็นวันสุดท้ายของพรรษา พระพุทธเจ้าทรงให้พระภิกษุทำปวารณากันแทนฟังพระปฏิโมกข์การปรวารณาก็คือการอนุญาตให้ผู้อื่นตำหนิตนเองด้วยการก็กล่าวด้วยวาจา ว, ว่าถ้าท่านเห็นก็ดีได้ยินก็ดีหรือสงสัยก็ดีในพุทธกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรของข้าพเจ้า ขอให้ท่านเมตตาข้าพเจ้าด้วยการว่ากล่าวตักเตือนข้าพเจ้าด้วยเถิดอันนี้เป็นการปารวาณาตัวที่พระภิกษุทุกรูปตั้งแต่พระเทเะลงไปจนถึงพระที่ด้อยอาวุโสที่สุดองสุดท้ายจะต้องกล่าวกันตามลําดับแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงปาวาณาตนต่อสง เพื่อเป็นการโละละมานะทิติการถือตัวถือตนว่าตนเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หรือผู้น้อยถ้าทำผิดมันก็ผิดเหมือนกันแล้วถ้าทำผิดแล้วมักจะมองไม่เห็นความผิดของตนนั้นท่านว่าแม้จะใหญ่เท่ากองภูเขาก็เห็นเป็นเหมือนผงทุลีส่วนความผิดของผู้อื่น แม้จะเป็นเพลงผงทุลรีก็เห็นเป็นกองภูเขาใหญ่โตอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการปรวารณาเรามักจะมองโทษของเราเป็นโทษเล็กๆน้อยๆแต่คนอื่นเขาจะมองโทษของเราที่เรามองเห็นว่าเล็กๆน้อยๆ น, นี่เป็นโทษที่ใหญ่โตจึงให้พระประกาศตนเอง อนุญาตให้ผู้อื่นให้พระภิกษุรูปอื่นที่อย you so ู raw, Jessie, salut, ่ร oh ่วมจําพรรษากันได้ว่ากล่าวตําหนิติเตียนเพราะเรามักจะเข้าข้างตัวเราเรามักจะมองตัวเราว่าดีเสมอคนอื่นนั้นเขาไม่ได้มองเหมือนเราเขาไม่เข้าข้างเราเขามองไปตามความเป็นจริงจึงต้องอาศัยผู้อื่นคอยนาหนิคอยเตือน เพื่อที่จะได้พัฒนาตนเองเพราะการที่ผู้อื่นชี้ความผิดให้กับเรานี้ก็เป็นเหมือนกับกระจกส่องเงาเรามองไม่เห็นหน้าเราเวลาเราแต่งหน้าแต่งเนื้อแต่งตัวทำความสะอาดเราต้องมีกระจกส่องหน้าดูเราถึงจะรู้ว่าหน้าเราหน้าตาของเราสะอาดหรือไม่ถ้าไม่มีกระจกเราก็จะไม่รู้ ทันใดผู้ที่เขาว่ากล่าวตักเตือนเหล่านี้ก็เปรียบเหมือนกับกระจกส่องหน้าเราหรือเป็นผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราเพราะความบกพร่องของเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขมันก็จะทำให้เกิดโทษกับตัวเราเองแต่ถ้ามีผู้คอยชี้คอยบอกโทษของเราก็เหมือนกับชี้ขุมทรัพย์ให้กับเรา เพราะเราจะได้แก้ไขปรับปรุงตัวเองกําจัดสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยกับตัวเราเองแล้วเราก็จะได้มีแต่สิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับเราดังนั้นเวลาใครเขากล่าวโทษเราบอกถึงความบกพร่องของเหล่านี้ท่านบอกว่าควรที่จะยกมือไหว้เขาขอบคุณเขาที่เขามีความเมตตา ชี้โทษของเราเหมือนกับชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราถ้าเป็นการพูดด้วยเหตุด้วยผลและเป็นความจริงแต่ถ้าเขาพูดด้วยความไม่จริงเราก็อย่าไปถือสาเขาคิดเสียว่าตาเขาบอดมองไม่เห็นกล่าวโทษเราในโทษที่เราไม่มีแต่เราก็ไม่ต้องไปโกรธเขาโวรจะถือว่า เป็นการทดสอบจิตใจของเราว่าเรารับคำนินทาได้หรือเปล่าหรือเราจะเอาแต่คำสรรเสริญเพียงอย่างเดียวถ้าเราเอาคำสรรเสริญเพียงอย่างเดียวเวลาใครตำหนิติเตียนว่ากล่าวเราจะไม่พอใจเราจะเสียใจแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีเหตุมีผลคนที่มีปัญญา จะรับได้ทั้งคำสรรเสริญและคำนินทาและจะรู้ว่าเป็นคพูดที่จริงหรือไม่จริงบางคนบางครั้งคำสรรเสริญของคนก็ไม่ได้เป็นคำสรรเสริญที่จริง ท, ท, ที่ตรงกับความจริงแต่เขาพูดเพื่อเอาใจเราเพราะเขาอาจจะอยากได้ผลประโยชน์อะไรจากเราเขาก็เลย มายกย่องเราสรรเสริญเราโฆษณาสรรพคุณที่ไม่มีในตัวเราเราก็ฟังไว้แล้วก็ปล่อยวา่าก็ให้รู้ว่าคนนี้เป็นคนที่สพอพอคนที่พูดไม่ตรงกับความจริงเช่นเดียวกับคนที่ชี้ความผิดที่ไม่มีในตัวเราก็ถือว่าเป็นคนที่เขาเกลียดเราเขาไม่ชอบเรา เขาก็เลยปั้นเรื่องขึ้นมาเพื่อที่จะใส่ความเราแต่เราก็ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องหวั่นไหวถ้าเราไม่มีความผิดใครก็จะปั้นความผิดขึ้นมามันก็ปั้นไม่ได้เหมือนกับปั้นน้ําให้เป็นตัวคนที่เป็นคนจลาดคนมีเหตุมีผลเขาไม่เชื่อง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการสารรเสริญหรือเป็นการนินทา เขาจะฟังด้วยเหตุด้วยผลรอดผู้สูตรให้เห็นตามสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังมาดังนั้นเราไม่ต้องไปวิตกกังวลถ้าใครเข้ามาว่ากล่าวเราในสิ่งที่เราไม่ได้กระทําถึงแม้คนอื่นจะเชื่อก็ช่วยไม่ได้เพราะคนในโลกนี้มีหลายแบบบางคนก็เชื่อง่ายใครพูดอะไรก็เชื่อเลย บางคนก็เชื่อยากหรือไม่เชื่อเลยก็เป็นได้ทั้งสองแนวทางบางคนเขาได้ยินคำสระเสริญในตัวเราเขาไม่เชื่อก็มีบางคนที่ได้ยินคำตาหนิตีนในตัวเราเขาไม่เชื่อก็มีเชื่อก็มีแต่เขาจะเชื่อไม่เชื่อนะั้นไม่ใช่เรื่องของเราไม่เป็นสาระสำคัญ สาระสำคัญอยู่ที่ความจริงว่าเราทำผิดหรือไม่ทำผิดถ้าเราทำผิดคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็ผิดอยู่ดีเราก็ควรที่จะแก้ไขถ้าเราไม่ผิดคนจะเชื่อก็เรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้เรารู้อยู่กับใจของเราว่าเราไม่ผิดก็เท่านั้นเอง นี่คือหลักการของการฟังคำสรรเสริญหรือคำนินทาของผู้ที่มีเหตุมีผลจะไม่ได้ฟังด้วยอารมณ์จะไม่ดีใจเวลาใครเขาชมไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ตามแล้วก็จะเสียใจเวลาใครเขาตำนิติเตียนไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนี่คือลักษณะของคนที่ไม่มีเหตุไม่มีผล เป็นคนที่ไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์เป็นคนที่ไหลไปตามอารมณ์ชอบสรรเสริญไม่ชอบนินทาคนอย่างนี้มักจะเป็นเหยื่อของคนที่เขาเห็นข้อบกพร่องของเราเขาจะมาเยือนยอเราเพื่อให้เราดีอกดีใจเพื่อให้เราชอบเขาแล้วเขาก็จะได้มาหลอกเราได้ ดังนั้นนี่คือเรื่องของการประวารณาตัวพระสงฆ์เราอยู่ร่วมกันย่อมรู้ย่อมเห็นพฤติกรรมของกันและกันถ้าทำไม่ถูกต้องตามหลักพระวินัยก็ควรที่จะกล่าวตักเตือนกันได้ไม่ควรถือตัวว่ามีภรรษามากหรือมีภรรสน้อยแต่ก็มีธรรมเนียมมีความเคารพกันอยู่ ผู้น้อยก็มักจะไม่ว่าผู้ใหญ่ถ้าจะเตือนผู้ใหญ่ก็จะต้องใช้อุบายคือไม่พูดโดยตรงอาจจะไปทำอะไรให้ท่านได้เห็นได้เข้าใจโดยที่ไม่ได้ว่ากล่าวโดยตรงหรือถ้าจะว่ากล่าวก็อาจจะว่าด้วยความเคารพขออนุญาตก่อน ขออนุญาตแจ้งหรือบอกสิ่งที่ท่านได้ทำมามีนิทานเรื่องหนึ่งก็หลวงตากับพระบวชใหม่ท่านไปเก็บนิมนต์นอกวัดขากับเดินกลับวัดต้องผ่านลำห้วยซึ่งมีน้ำไหลเชี่ยวกรากอยู่มีหญิงชลาอยู่ คนหนึ่งนั่งอยู่ที่ข้างลำธารลำห้วยแล้วก็มีหน้าตาซึมเศร้าหลวงตาท่านก็ถามว่าเป็นอะไรหรอแกบอกว่าอยากจะกลับบ้านแต่ไม่กล้าข้ามห้วยกลัวจะถูกน้ำพัดไปหลวงตาด้วยความเมตตก็อุ้มหญิงชราคนนั้นแล้วก็เดิน ข้ามห้วยพาหญิงชลาข้ามห้วยไปพระที่ติดตามหลวงตาซึ่งเป็นภาพบวดใหม่ก็มีความรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าตามพระวินัยพระภิกษุไม่ควรที่จะแตะต้องร่างกายของสีกาของผู้หญิงก็เดินคิดไป ตามเดินตามหลวงตากับวัดไปด้วยความจิตใจที่ขุนมัวหรือไม่เข้าใจสงสัยว่าหลวงตาทาไมถึงละเมิดพระวินยัยทำไมไม่เคารพพระวินยัยพอไปถึงที่วัดก็ทนไม่ไหวก็เลยกราบขออนุญาตถามหลวงตาท่านว่าหลวงตาท่านทำไมไปอุ้มผู้หญิงคนนั้นหลวงตาท่านบอกว่า เราปล่อยมันไว้ตั้งแต่ลำห้วยแล้วคุณยังแบกมันมาถึงวัดอีกเหรอนี่คือหลวงตาท่านเป็นคนที่บวชมานานท่านมีปัญญาถึงแม้ว่าบางอย่างอาจจะเป็นข้อห้ามแต่ท่านพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเมตตาโดยที่จิตใจของท่านนั้นไม่มีความกำหนัดยินดี ต่อการสัมผัสร่างกายของเพศตรงกันข้ามเพราะท่านได้ปฏิบัติท่านได้บรรลุธรรมแล้วท่านก็เลยสามารถที่จะทำในสิ่งที่ผู้ที่บรรลุธรรมยังยังไม่ได้บรรลุธรรมไม่กล้าทำเพราะว่าถ้ายังไม่บรรลุธรรมพอไปแตะต้องร่างกายของเพศตรงกันข้ามก็จะเกิดการอารมณ์ขึ้นมาได้ แต่ท่านได้กาจัดการารมณ์หมดไปแล้วท่านจึงไม่ได้กังวลกับเรื่องนี้พระวินัยข้อนี้ห้ามไว้สำหรับผู้ที่ยังมีการมารมณ์อยู่แต่ผู้ที่ไม่มีการมารมณ์แล้วจะแตะหรือไม่แตะก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าอาจจะทำเป็นตัวอย่างไม่ดีให้แก่ผู้ที่มาบวชใหม่เท่านั้นเองแต่ถ้า ผู้ที่รู้ความประพฤติของท่านของผู้ที่กระทําว่าท่านเป็นพระระดับไหนแล้วเขาก็จะไม่กังวลอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระผู้น้อยที่มีความสงสัยในพฤตกรรมของพระผู้ใหญ่ก็เลยต้องกราบถามขออนุญาต ก, กราบถามท่านก็นสอนกับ สอนให้เกิดปัญญาว่าจิตนั้นควรจะตั้งอยู่ในปัจจุบันไม่ควรไปในอดีตไม่ควรไปในอนาคตเพราะจิตไปในอดีตไปอนาคตจะเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านนั่นเองจิตของพระใหม่เดินกลับวัดด้วยความฟุ้งซ่านแต่จิตของหลวงตาท่านอยู่กับปัจจุบันท่านอยู่กับการเดินของท่านไป ท่านลือบอดทีที่ท่านได้ทำไปแล้วคือลืมเรื่องของหญิงชลาคนนั้นไปแล้วแล้วเหตุที่ท่านทำาก็ไม่ได้ทำด้วยความกําหนัดยินดีแต่ทำด้วยความเมตตากรุณานี่คือเรื่องของจิตใจของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันที่การกระทำนั้น มีโทษกับไม่มีโทษต่างกันคนที่ไม่มีการอารมณ์แล้วทำอะไรยังไงมันก็ไม่เป็นโทษคนที่มีการอารมณ์อยู่นี้ถึงแม้ไม่ทำก็ยังเป็นโทษได้เพียงแต่คิดขึ้นมามันก็ทำให้ใจร้อนได้แล้วเกิดการอารมณ์ขึ้นมาแล้วนี่คือความแตกต่างของจิตใจของผู้ปฏิบัติ ผู้ที่ได้ปฏิบัติได้กำจัดโทษภายในใจของตนแล้วการกระทําจะเป็นกิริยาไปหมดจะไม่มีโทษมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์แต่ผู้ที่ยังมียังมีความมีโทษอยู่ในใจถ้าทําไปแล้วมันจะเกิดโทษกับตนเองและเกิดโทษกับผู้อื่นได้ด้วย นี่คือเรื่องของพระวินัยเรื่องของการปราณาตัวถ้าผู้น้อยมีความเห็นว่าควรจะว่ากล่าวตักเตือนผู้ใหญ่ก็มีสิทธิ์ทําได้แต่ควรจะมีมารยาทไม่พูดแบบเสียมารยาทคือยกตนข่มท่านตนเป็นผู้น้อยจะไปตีตนเสมอท่านหรือสูงกว่าท่านเพราะเห็นว่าท่านทําผิด แล้วก็ไปชี้หน้าบอกว่าท่านทําอย่างนี้ไม่ถูกไม่ได้หพูดอย่างนี้ไม่ได้สําหรับผู้น้อยที่จะพูดกับผู้ใหญ่ผู้น้อยก็ยังต้องมีความเคารพต่อผู้ใหญ่จะพูดอะไรก็ต้องกราบขออนุญาตก่อนเหมือนลูกกับพ่อแม่อะลาเห็นพ่อแม่ทําอะไรไม่ดีถ้าอยากจะว่ากล่าวตักเตือนพ่อแม่ก็ต้องดูกาลเทศะ ืูว่าควรหรือไม่ควรืูว่าพ่อแม่นั้นยินดีฟังเราหรือไม่ถ้ารู้ว่าท่านไม่ฟังก็อย่าไปพูดให้เสียเวลาไม่ใช่ฐานะของเราที่จะไปว่ากล่าวตักเตือนพ่อแม่โดยลูกนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำยกเว้นพ่อแม่ประวานาตอเองไว้เช่นบอกลูกไว้ว่า ถ้าพ่อแม่ทําอะไรไม่ถูกไม่ต้องบอกได้นะถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าพ่อแม่เป็นคนที่มีเหตุมีผลแต่การจะบอกนี้ก็ต้องบอกด้วยความเคารพไม่ใช่ถือว่าผิดแล้วก็พูดว่ากล่าวดุด่าได้อย่างนั้นก็ไม่ใช่ ก, การที่จะไปดุด่าว่ากล่าวผู้ใหญ่นี้ไม่ถูกไปยกตนข่มท่านนี้ไม่ถูก ยังไงยังไงท่านก็ต้องเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเสมอเรื่องผิดเรื่องถูกก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องการพูดต่อผู้หลักผู้ใหญ่ถึงแม้จะเป็นบอกการบอกความผิดของท่านก็ต้องพูดด้วยความเคารพและต้องขออนุญาตก่อนถ้าท่านไม่อนุญาตก็ไม่ต้องพูดปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมของท่านไป นี่เป็นจึงเป็นวันปวานาของพระภิกษุทุกทุกวัดทุกประเทศที่ไหนมีพระภิกษุวันสุดท้ายของพรรษาจะเป็นวันปวานาตัวเป็นการสอนของพระพุทธเจ้าที่แสนฉลาดที่สอนให้ผู้ที่อยู่ร่วมกันนั้นอยู่กันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข ปกติอยู่ร่วมกันมันก็ต้องมีบ้างลิ้นกับฟันก็อาจจะมีพลาดพังขบกันบ้างอยู่ร่วมกันก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างโดยที่มีเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ตามแต่ถ้าอยากจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็จะต้องมีการเตือนกันบ้างบอกกันบ้างว่าการกระทําที่ทํานี้ ไม่ถูกต้องอย่างไรเพื่อที่จะได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ทั้งของผู้กระทำเองและเป็นประโยชน์นต่อผู้ที่อยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความรักมีความสมามัคคีต่อกันไม่ใช่อยู่แบบกอดเกลียดกันไม่พอใจกันนี่คือเรื่องของวันนี้ นอกจากนั้นก็มีการตักบาตรเทโวในตอนเช้าซึ่งตามธรรมเนียมแล้วจะต้องตักวันหลังคือต้องตักวันพรุ่งนี้เพราะวันนี้ยังไม่ได้เป็นวันออกพรรษาวันออกพรรษาพระพุทธเจ้าจึงเสด็จลงจากเขาลงจากสวรรค์ลงมากลับมาสู่โลกมนุษย์หลังจากที่ได้ทรงขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดา อยู่สามเดือนด้วยกันเึ้นไปสั่งสอนทำให้แก่พระพุทธมารดาด้วยความกตัญญูกตเวทีถึงแม้ว่าพระมารดาจะอยู่กับพระราโชรสได้เพียงเจ็ดวันพระมารดาก็เสด็จสวรรคตไปแต่การให้กำเนิดนี้ก็ถือว่าเป็นพระคุณอันใหญ่หลวง พระพุทธเจ้าจึงมีความปรารถนาที่จะทดแทนบุญคุณให้แก่พุทธมารดาและวิธีที่จะทดแทนได้อย่างสมบูรณ์แบบก็มีอยู่ในวิสัยของพระพุทธเจ้าแล้วคือมีความสามารถที่จะสอนให้พุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้หลุดพ้นจากการที่จะต้องไปเกิดในอบาย ถึงแม้ว่าจะได้เคยทําบาปมามากน้อยเพียงไรก็ตามถ้าได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายต่อไปแล้วก็จะมีภพชาติเหลืออยู่ไม่ เ, เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างถาวรอันนี้ เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าปรารถนาและได้มอบให้กับพระพุทธมารดาโดยได้แสดงพระธรรมเทศนาอบรมสั่งสอนพระพุทธมารดาไว้อยู่หนึ่งพันษาด้วยกันจนพุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพระพุทธเจ้าก็เลยถือว่าได้ทดแทนบุณุณที่ยิ่งใหญ่นี้ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว วิธีอื่นนี้พระงองค์ทรงบอกว่ายัางไม่พอทดแทนบุญคุณของพ่อของแม่ด้วยวิธีอื่นจะให้เงินทองท่านเป็นกี่ร้อยล้านพันล้านจะเลี้ยงดูท่านอย่างดีจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจะจัดงานศพให้ยิ่งใหญ่ตาการตาขนาดไหนก็ตามบุญคุณที่ท่านมีต่อเราก็ยังไม่หมด จะหมดก็ต่อเมื่อเราสามารถทําให้ท่านได้เป็นพระโสดาบันทําให้ท่านไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปและทําให้ท่านได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายกฎในเวลาไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากผู้ที่จะทําอย่างนี้ได้ก็ต้องเป็นอย่างน้อยก็ต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไป ถ้าตนเองยังเป็นโสดาบันไม่ได้สอนตนเองให้เป็นโสดาบันไม่ได้จะไปสอนคนอื่นให้เป็นโสดาบันได้อย่างไรพระพุทธเจ้านี้เป็นโสดาบันเป็นพระอาหารหันต์แล้วท่านจึงสามารถสอนพุทธมารดาให้เป็นพระโสดาบันได้ส่วนพระราชบิดาตามดำลาท่านก็สอนให้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เจ็ดวันก่อนที่จะเสด็จสวรรคต นี่ก็เป็นการทดแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าต่อพระราชบิดาพระพุทธบิดาและก็ท่งต่อบุญคุณของพระแม่เลี้ยงพระมารดาเลี้ยงด้วยการอนุญาตให้บวชเป็นภิกษุณีเป็นภิกษุณีรูปแรกของพระพุทธศาสนาเป็นผู้ขออนุญาตจากพุทธเจ้าให้ได้บวชก่อนหน้านั้นจะไม่มีภิกษุณี เพราะการเป็นภิกษุณีนี้เป็นของที่ยากมากยากยิ่งกว่าการเป็นภิกษุเพราะว่าภิกษุณีเป็นเพศหญิงแล้วการอยู่แบบภิกษุภิกษุณีนี้จะต้องอยู่แบบทอรหดอดทนทั้งทางร่างกายและทางจิตใจพระองค์ในเบื้องต้นนี้ไม่ปรารถนาที่จะบวชภิกษุณี เพราะทรงเห็นว่ามันค่อนข้างจะทุลักทุเลและก็จะเป็นภาระกายพระภิกษุเพราะว่าพระภิกษุนี้ก็จะต้องมีพระภิกษุคอยเป็นผู้ดูแลอบรมสั่งสอนเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็การอยู่ใกล้ชิดกันระหว่างหญิงกับชายก็จะเกิดเป็นปัญหาได้ถ้าพระภิกษุนั้น มีจิตใจที่ไม่เข้มแข็งถ้าได้อยู่ใกล้ชิดกับภิกษุณีก็อาจจะเกิดการประพฤติ ท, ที่ไม่เหมาะสมแก่พรหมจรรย์ได้พระองค์จึงไม่อยากที่จะบวชภิกษุณีแต่หลังจากที่พระอานนท์มากล่าบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงบุญคุณของพร ะ, ะ, พ, ระพุทธมารดะ มารดาเลี้ยงของพระพุทธเจ้าว่าท่านก็เลี้ยงดูพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่หลังจากที่พระพุทธมารดาได้เสด็จสวรรคตไปบุญคุณของท่านก็ยิ่งใหญ่ทำไมท่านจะตอบแทนบุญคุณนี้ไม่ได้หรืออย่างไรในที่สุดพระพุทธเจ้าก็เลยต้องยอมบวชภิกษุณีแต่ทรงตั้งเงื่อนไขไว้หลายประการด้วยกันเพื่อที่จะ ให้ภิกษุณีนั้นอยู่อย่างมั่นคงอยู่อย่างปลอดภัยมีผู้คอยคุ้มครองดูแลสั่งสอนอบรมเช่นมีอยู่ข้อหนึ่งที่ทรงตั้งเงื่อนไขไว้คือภิกษุณีถึงแม้จะบวชมาได้เป็นสิบเป็นยีน่สิบสามสิบพรรษาก็ยังต้องเข้ารบาพระภิกษุที่เพิ่งบวชใหม่ในวันเดียว จะให้ภิกษุณีนี้ต้องเา้ารพพระเสมอเพราะจะพระจะต้องเป็นพี่เลี้ยงพระภิกษุภิกษุณีนั่นเองเพราะเพศของชายกับหญิงนี่มีความต่างกันเพศชายนี่มีกำลังวังชามากกว่าเพศหญิงสมัยก่อนนั้นโจรผู้ร้ายอะไรก็มีมากมายถ้าปล่อยให้ผู้หญิงอยู่กันตามลำพังนี่ก็อาจจะเป็นอันตรายต่อ ผู้หญิงได้ก็อะไรต้องอยู่กับพระแต่ไม่ได้อยู่ร่วมกันแยกกันอยู่แบ่งเป็นโซนกันโซนพระกับโซนพิกษุณีไปอันนี้ก็เป็นเรื่องการทดแทนบุญคุณของพระพุทธเจ้าต่อผู้มีพระคุณเช่นเดียวกันทําให้พระพระพุทธบิดาได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ทําให้พระ พุทธมารดาเลี้ยงได้บวชเป็นภิกษุณีและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตามลำดับต่อมาแม้แต่พระราชาโอรสคือเจ้าชายลาหุนก็ได้บวชเป็นสัมมาเนยเป็นสัมมาเนลรูปแรกลาหุนนี้เป็นลูกของพระพุทธเจ้าได้บวชตั้งแต่อายุเจ็ดขวบหเจ็ดขวบคือตอนที่พทธเจ้าตัดสรูแล้ว หลังจากที่ได้บำเพ็ญอยู่หกปีได้ตัดสรุทางในวังทราบข่าวก็นิมนต์ให้ไปโปรดในวังพอไปถึงในวังก็พระมเหสีก็ส่งเจ้าชายลาหุนมาขอพระมรดกจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยจับบวชเป็นเนรนี่คือมรดกของพระพุทธเจ้าคือจับมาบวชเป็นพระมาบวชเป็นเนร เพื่อจะได้ศึกษาได้ปฏิบัติและในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เช่นเดียวกันคิดดูความสามารถของคนคนเดียวที่ช่วยให้คนอื่นนี้ที่ไม่เคยคิดเคยฝันมาก่อนว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระอาริยบุคคลสามารถเป็นขึ้นมาได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้ว สัตวโลกทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอดีตนี้จะไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่จะสามารถบรรลุถึงอริยมรรคอริยผลได้สามารถบร ร, ร, าารบลุเป็นพระอริยะเจ้าเป็นอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันพระสกิฎรคามีพระอนาคามีพระอาราหันได้เลยเพราะว่าปัญญานั้นมีไม่พอที่จะเห็นเหตุที่จะทําให้ได้บรรลุกัน แต่พระพุทธเจ้านี้เป็นพระองค์เดียวเท่านั้นที่มีพระปัญญาบารมีมีความสามารถเช่นพระขันติบารมีพระวิริยะบารมีที่จะสามารถมองเห็นเหตุที่จะทําให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอราหันต์ได้พอรู้แล้วมาบอกคนที่ไม่รู้คนไม่รู้ก็นําออกไปปฏิบัติตามไม่ช้าก็เร็วก็บรรลุได้อย่างง่ายได้ เพราะมีคนบอกวิธีแล้วถ้าไม่มีคนบอกวิธีก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนี่คือพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องคือพระราชวงศ์และต่อผู้บุคคลทั่วไปผู้ใดที่ได้สัมผัสได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธานำเอาไปปฏิบัติ ก็มักจะได้บรรลุมักผลนิพพานกันมาจนถึงปัจจุบันนี้พวกเราก็เช่นเดียวกันพวกเราก็หลังจากที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราก็เกิดจต่าสามารถปฏิบัติตนเองแบบที่ไม่เคยคิดว่าจะปฏิบัติมาก่อนเลยเนื่องจากเห็นตัวอย่างที่ดีงามของพระพุทธเจ้า และของพระอาหารตสาวกทั้งหลายก็เลยสามารถทำให้ปฏิบัติตอนแบบท่านได้ทั้งๆที่เป็นการปฏิบัติที่ยากแสนยากแต่พอได้เห็นตัวอย่างได้เห็นผลที่จะเกิดจากการบาเพ็ญก็เลยทำให้มีความยินดีที่จะปฏิบัติทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน ยึนถือศีลแปดปกติพวกเรามนุษย์เราทุกคนเกิดมานี่ไม่มีใครอยากจะถือศีลแปดกัน 8. มีแต่อยากจะดื่มอยากจะหาความสุขอยากจะรับประทานอะไรต่างๆผ่านทางตาหูจมกูกลิ้นกายไม่มีใครอยากที่จะมาปิดทวารทั้งห้าปิดตาปิดหูปิดจมกูกปิดลิ้นปิดกายไม่ให้รับไม่ให้เสพ รูปเสียงกินรสพดทะภะซึ่งเป็นเหมือนกับอุดรูจมูกไม่ให้หายใจอย่างนั้นแต่มันทรมานยิ่งกว่าการอุดรูจมูกไม่ให้หายใจเพราะอุดรูไม่จมูกไม่หายใจมันก็แค่เดียวเดียวมันก็ตายมันก็จบแต่อุดตาหูจมูกนึ่งกายนี่มันต้องอดเป็นเดือนเดือนเป็นปีปีมันแสนจะทรมานใจ ถ้าปิดอย่างเดียวแล้วไม่ปฏิบัติถ้าปิดแล้วไม่เปิดถ้าปิดตาหูจมูกลิ้นกายแล้วไม่เปิดใจก็จะไม่สามารถที่จะทำได้ถ้าปิดตาหูจมูกลิ้นกายแล้วต้องมาเปิดใจเปิดใจให้เกิดสติให้เกิดปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะได้ทําใจให้สงบทําใจให้เย็นทําใจให้มีความสุขถึงจะถึงจะอยู่ได้ ถ้าปิดตาหูจมูกเล่นกายเฉยๆโดยที่ไม่มีการภาวนาปิดได้ไม่นานจะทนไม่ไหวจะต้องเปิดแล้วออกไปรับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะทันทีแต่ถ้าปิดแล้วมาเปิดใจมาเปิดใจให้มีสติให้มีปัญญาใจก็จะสงบใจก็จะเย็นใจก็จะอิ่มจะพอก็จะไม่รู้สึก ทรมาณใจแต่อย่างใดในขณะที่ปิดตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือวิธีการเข้าสู่มรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบต้องปิดทวารทั้งห้าแล้วเปิดทวารข้างไหนเปิดตาใจเปิดใจขึ้นมาให้รับกับธรรมของพระพุทธเจ้ารับกับสติรับกับสมาธิรับกับปัญญารับกับวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง เริ่มต้นด้วยการปิดตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการถือศีลแปดนะแล้วก็มาเปิดใจด้วยการเจริญสติเปิดใจรับสติเพื่อทำใจให้สงบเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วก็เปิดใจรับปัญญาได้ตามลำดับพอได้ปัญญาแล้วก็จะได้วิมุตติการหลุดพ้นหลุดพ้นจากความทุกข์ที่มีอยู่เป็นขั้นขั้น หลุดพ้นจากความทุกข์ของขั้นพระโสดาบันของขั้นพระสกิดาคามีของขั้นพระอนาคามีของขั้นพระอราหาาันต์หลุดด้วยปัญญาของแต่ละขั้นหลุดด้วยสติด้วยสมาธิและปัญญาต้องมีทั้งทั้งสามส่วนถึงจะเป็นปัญญาที่ทำให้หลุดพ้นได้ถ้าเป็นปัญญาปราสจากสติหรือสมาธินี้ จะไม่สามารถที่จะทําให้หลุดพ้นได้นี่คือวิธีการของการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆที่มีพระพุทธเจ้าของพวกเหานี้เป็นผู้ค้นพบแล้วนําเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราด้วยการถ่ายทอดเป็นขั้นๆไปสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้พระกอบปฏิบัติจนรู้แล้วก็ กลายเป็นผู้ช่วยพระพุทธเจ้าถ่ายทอดความรู้ต่อไปถ่ายทอดกันมาเป็นทอดทอดจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีการถ่ายทอดอยู่ที่ไหนที่มีการแสดงธรรมมีการฟังธรรมที่ไหนมีการปฏิบัติธรรมมีการบรรลุธรรมที่นั่นละคือเป็นที่ที่มีการถ่ายทอดพระธรรมคําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าและมีการถ่ายทอดผลที่เกิดจากการปฏิบัติ ตามพระธรรมคําสอนก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่ได้นําเอามาแสดงให้ท่านได้ยินได้ฟังในวันสุดท้ายของพรรษานี้เพื่อเป็นเครื่องสตเตือนเป็นเครื่องสดับสติปัญญาเร่งความเพียรกระตุ้นความยินดีในการปฏิบัติตามคําสอน เพื่อที่จะได้นำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอยะถ า, าวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินงังเปตานางังอุปกรัรปติ อิิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิตจตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสภิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทานาสีริสะนิจยางุทธาปจายโนจัตตารโธมรมวาทาิอายุวนานโอสุขังภาลางพรนะเจ้าเจ้าคะต้องไข่ดิเหมือนการฆ่าสัตว์ไหมเจ้าคะอะไรเนี่ยต้องไข่นะคะไข่มันมีแบบไข่ตายแล้วไม่เห็นของเป็น่ยนใะช่ไหม ไข่ที่มีตัวบไข่ที่มมีตัวไข่แบบซี่ี่จั๊กซี่ทีไม่เลมันมีตัวเปล่าไม่มีค่ะความมันถ่ายากลัมาวิธีการฆ่าเชื้ออะไรมันไม่มีตัวมันตายแล้วก็ก็ไม่เป็นปัหาใช่ต้มไข<า>่ที่ว่าฆ่าสัตว์หรือปลาบางที่ก็เป็นอามมอนกันถ้ามันไข่ที่ยังไปฟักได้ น, นี้ถ้าไปก้มมันก็ อไปต้มเหมือนกับเด็กที่อยู่ในท้องไปต้มนใช่ค่ะหรือคิดอย่างนั้นมันกะผ่านต้องถาม ค, คเ้าเลถ้าไม่มั่นใจก็อย่าไปต้มมัน้งหมนืนเรื่องกิน่าเดยก็ได้ซื้อของที่ตายแล้วก็ได้ของที่เขาต้มแล้วาต้มแล้วเราเราสิทิได้าอย่าไปสั่ ง, งก็ต้มเลยเราก็แล้วกันค่ะถ้าอยากจะบริโอย่ า, ยาไปกินเนื้อสัตว์หมเรื่อง กินผักกินอะไรอะไกินข้าวกินอะไรไปกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินใช่ไหมกินเพื่อรักษาสีดีกว่าดีกว่ากินเพื่อตันหาความอยากกินกระายไม่กินกรชาเหมือนกัน่กินแล้วบาปกินแล้วไม่บาปเพื่อกินแบบไม่บาปดีกว่าเข้าใจห นเนื้อสัตว์ที่คนไหนเข้าท่าแล้วไม่ไม่รำ ไ, ไ, ไม่บาสนะรำไม่เกี่ยว่บางครั้งหรกาก็ต้มไข่เองนะคะหนูก็เลยคิดอยู่ว่าเอเป็นการฆ่าสามมัตว์หรือเปล่าก็สงสัยอยู่ตั้งมานะคะก็คือเนื้อสัตว์นี่ถ้าเราสั่งก็ดีทําเองก็ดีค่าเขอ ถ้าเขาสั่งให้คนอี่นเข้าข้าวนี้ก็บาปคืออันนี้หนูไม่ทำใช่มว่าค่ะจะเออือว่าต้มหรือจะว่าต้มไข่อะไเงี้ยว่าเป็นปลาคือเป็นการฆ่าสัตว์หรือปลาก็เลยถามว่าคนเจ้าเนียค่ะค่ะน่าจะไปถามคนเลี้ยงไก่มากกว่าเราไม่ได้เลี้ยงไก่เราจะไปรูไก่มันมมตัวบนะอันนี้เขาไม่มีอะไรมากใ่ค่ะไม่มี ไม่ขำนะคะถา ม, นะถามต้องขานะ่ใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้ฮนะะถามได้ได้ก็ถาม้วถามไปวันนี้ก็เทว่าเป็นวันแบบมันจะเป็นวันแสดงธรรมเต็มรูปแบบเป็นวันเป็นวันพระใหญ่ อันสุดท้ายกับพรรษาก็ อ, อยู่ที่คนน่ะถ้าคนมาเยอะยอยากจะเป็นวันไหนก็ต้องพูดทำถ้ามีคนมาสองสามคนก็บางทีแค่คุยกันก็พอทำมีหลายรูปแบบทรมัศวนะการฟังธรรมรรมัศสากัศฉ า, ก, ศาการสนทนาธรรมก็ได้ทั้งสองอย่างขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ไม่ใช่มาทีไรก็ตั้งน้าโมขึ้นทำว่ากัน มาสองคนก็ตั้งน้าโมขึ้นทรรมะบางคนมาคนเดียวบอกคุณจะมาฟังธรรมโอเคครับอาซีดีไปฟังแล้วละกันคนก็ไม่รู้นะคิดว่าถ้าอยากจะฟังธรรมก็ขึ้นมาบนขาวบ่ายสองโมงแล้วขึ้นมาถามมาทำเลยมาฟังธรรมก็มาคนเดียวมีคนเดียวฟัง คุยในฟังคนเดียวมันเสียน้ำลายเสียดายทุนไล่บงทีสักเลาะห้าสิบคนนี้มันค่อยคุ้มค่าะนะหน่อยถ้าไหนก็ไม่แน่ก็ทำก็มีหลายรูปแบบก็คุยกันก็เป็นธรรมนะภาวนาธรรมไม่มีอะไรก็กลับบ้านภาวนาไปหรือว่าก็อ้วนปรมาณผมไม่ไหว พระอาจารย์ก็ตอนเดินลงมาพระอาจารย์ไม่จะตุกเลยมันเดินง่ายไม่รู้สึกอะไรเพี่งแต่ว่าแปะพอลงมาสองร้อยขั้นแล้วรู้สึกกล้ามเนื้อมันถึงพื้นแล้วใช่ไหมคะมันมันเริ่มค่อยๆค่อยๆมีปฏิปิริยาเนี่ยเพิ่มมาออกปฏิกริยาตอนบ่ายนี่อตอนเช้าเดินลงมาสบายไม่รู้สึกมันเดินลงมาง่ายแต่มันเริ่มรู้สึกตึงเมื่อตอนบาน่ายมันเริ่มตึงเริ่มตึงขึ้นแล้วมัน ชันมากสูงไปนั่นโอ้โหชันขึ้นยอดขาขา ข, าขึ้นมีรถขึ้นไปสงองขาลงเดินลงม แ, แต่แปลกเวเวลาเดินลงมันกลับมีผลกระทบต่อกล้ามเนื้ อ, อลงนะคะเจ็งมากกว่าเดิมเราลงนี้ไม่รู้สึกเลยไม่มีความรู้สึกเจ็บเลยแต่เนื่องจากกล้ามเนื้อมันคงจะต้องคอยยันคอยทําอะไรของมันอยู่แล้วมันค่อยๆแสดงอาการออกมาค่อยเนี่ยมาตอนบ่ายนี่ก็เริ่มมีอาการ แข็งตึงขึ้นมาแล้วประกอบกับของเรามันเก่าแล้วมันก็มันก็เลยยืดอยู่นอนก็เลยแข็งเลยคุยกันว่าพระอาจารย์ทั้ง45ถามว่าพระอาจารย์บอกเมื่อก่อนถ้านับจากวันบวชก็แค่40ถ้านับจากวันเกิดก็เกือบจะ6 8แล้ว แต่คนเขาคิดว่าเราไม่ถึงนะมองหน้าเขา<ช>้าแบบที่น้องคน ข, งข้างเขาก็บอกว่าอุ๊ยนาจะถึงเราถึงไมกล้ารเรียกหลวงตาถ้างคึกค้างปฏิบัติดีปฏิบัติช่อบไม่จะดูอายุไม่มากเลยนะเพราะถ้าไม่แบก่ยเบาใจเบาใจสบายนแตอนที่แบกมันก็เลยมันก็หนักหนักอกหนักใจมันก็เลยเครียด ก็ไปดูแก่<ม>คนที่ไม่หนักไม่แบกนี่มันเบามันสบายมไม่มีอะไรจะต้องแบกเพราะไม่มีอะไรเป็นของเราเรามีเป็นของเรานี่มันแบกใช่ไหมแบกทางใจยิ่งหนัายยิ่งกับแบกทางร่างกายเพราะมันแบกได้ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเวลานอนยังแบกเลยนอนไม่หลับนอนกายหน้าผาก แบกนะแบกทางร่างกายมันยังมีเวลาปล่อยวางบ้างนะเวลานอนก็ไม่ได้แบกคนทํางานแบกเข้าสารนี่พอเขาเริมงานเขาก็ไม่แบกแนละ้วแต่แบกทางใจนี่มันเวลาทํางานก็แบกกลับบ้านแะล้วมันก็ยังเอามาแบกต่อบางที่นอนยังเอามาแบกต่อปล่อยไม่ลงฟงไม่ลงอยากอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คิดหาวิธีต่างๆแล้ว น, น, นะ คิดไปยังนอนไม่หลับก็ยังหาทางออกไม่ได้เพราะทางออกมีทางเดียวก็คือปล่อยไม่ยอมปล่อยถ้าปล่อยแล้วก็สบายนะวิธีอื่นจะทำไว้ให้แบกแล้วยังให้ความสุขไม่ได้หรอกมันแบกแล้วมันไม่ให้ความสุขมันมใช้ความทเพราะมันไม่เป็นไปดังใจเราเราอยากให้มันเป็นดังใบดังใจเราแต่มันพอไม่เป็นไปดังใจเรามันก็ทุกข์มันก็ห น, นักอกหนักใจ ก็ปล่อยเท่านั้นเองปล่อยก็จะเบาเหมือนไปเล่นกับไฟก็หยุดเล่นกับไฟนีมันก็หายร้อนไม่ยอมหยุดเล่ น, นก็เผาเราตลอดเวลาไฟแห่งราคะไฟแห่งโทสะไฟแห่งโมหะนี่คือไฟที่เผาใจเราราคะขีนาโทสะขีนาโมหะกีนาพระเจ้าทรงสอนพวกฤาษี พวกที่เขาบูชาไฟทัานก็เลยเอาไฟนี้มาเป็นเป็นเหตุที่จะให้สอนว่าไฟที่แท้จริงคือไฟที่เผาใจเขานั่นแหละไม่ใช่ไฟอธาตุาไฟที่เขาบูชากันอีกาจะพูดอะไรเนี่ยพีอ่อะไร่าถามหรือเปล่า อยากให้ท่านอธิบายกคำว่าสติและสมาธิต่างกันสติเป็นเหตุไงสมาธิเป็นผลเหมือนการกินข้าวนี่เป็นเหตุการอิ่มการอิ่มท้องนี่เป็นผลถ้าตักข้าวเข้าไปเรื่อยๆเที่ยวคืนเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็อิ่มพออิ่มแล้วมันก็สบายถ้าพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจก็สงบสงบแล้วก็สบาย ปันหาคือเราไม่ค่อยกินกังเราชอบฟุ้งชอบคุยชอบคิดไปใจมันเลยลอยไปลอยมากับเรื่องต่างๆก็เลยเรียกว่าไม่มีสติถ้าจะมีสติมันต้องมีอยู่เรื่องเดียวอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุทธโทธพุทธโทธไปอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็จะอิ่มใจขึ้นมาถ้อยากจะได้สมาธิก็ต้องหมั่นเจริญสติ ไม่ใช่เฉพาะตอนที่เรามาเริ่มมานั่งเท่านั้นเองต้องเจริญก่อนก่อมานั่งถ้าเราไม่เจริญก่อน้านั่งเวลามานั่ง น, ม, นมันจะไม่อยู่กับการนั่งมัจะลอยไปกับเมื่อนู้เรื่องนี้นั่งไปได้ไม่นานก็ปวดเมื่อยก็นั่งไม่ไหวก็เลิกนั่งก็เลยไม่เคยเจอผลของสมาธิถ้ามีสติแล้วมานั่งมีรักสติมาและมันมันไม่ มเม็ดมันดึงใจไม่ให้ลอยไปลอยมาห้านาทีสิบนะทนีันก็สนใจพยามสติปลอดหนาการยากเนะ ย, ย็นอะไรทำใ่้พุทโธทำเดือยถึงเรื่องมากับพุโทโธพุโทโธไปในใจพุโทโธพุโทโธพุทโธไปทำอะไรกับพุโทโธพุโทโธไปถ้าเวลาทําให้ความคิดมากกบพุโทโธพุโทโธไปถ้าต้องใชรับรายจ่ายมันก็ต้องอคิดเลขทันเสร็จก็หยุด แล้วก็กลับมาพุทโธต่อนี่คนนั้นว่าคนนี้ห่วงคนนั้นกังวลคนนี้เนี่ยคิดไปไม่เกิดประโยชน์อะไรคิดแล้วจะทำให้ใจทุกข์ไปเปล่าๆหรือใจร้อนขึ้นไปเปล่าๆนี่คือวิธีทำใจให้สงบต้องมีสตินะจะมีสติแล้วเดี๋ยวสมาธิก็ตามมาอันนี้ชมถามอาจารย์นุ๊กหนว่า บางครั้งถ้าเราสนัดกับการเดินเนี่ยอันนี้ก็เป็นคืออันเนี้ยบทไม่สําคัญสำคัญที่ใจสําคัญที่ทําตัวสติสตินี้มันมีได้ตลอดสี่ริยาบทเดินยืนนั่งนอนแต่ถ้านอนมันจะทําให้เผยสติได้ง่ายขาดสติได้ง่ายนอนแล้วมันสบายมันหลับก็ต้องยืนหรือเดินหรือนั่งแต่ถ้าจะให้มันรวมได้สมาธิได้ผลที่ ที่เป็นกอบเป็นกรรมก็ต้องนั่งเพ<ห>ราะเวลาเดินนี้ใจมันยังต้องทำงานต้องสั่งให้ร่างกายเดินถ้านั่งเฉยๆมันก็ไม่ต้องไปสั่งให้ร่างกายเดินมันก็ไม่ต้องทำงานแต่กรแบบว่าสังเกตรหรืออาจจะเป็นเพราะเวลาเดินสติมันอยู่ดีกว่าก็เดิน ก, ก็สร้างสติขึ้นมาก่อนแล้วถ้าอยากจะให้จิตมันรวมมันก็ต้องนั่งแม่พระถ้าพระพุทธเจ้ามีแต่ถ้านั่งสมาธิท่นนั่งขัดสมา น่ถ้านั่งสมาธิอยากจะได้สมาธิก็นั่งอย่างนี้แต่อย่างไม่นมานนะเจ้าค่ะเดินเดนโกงๆใจมันวิ่งมากเลยนะเจ้าค่ะแต่พอลงจะลงไปนั่งเนี่ยมันกลับไปคิดคือความเปลี่ยนจากเดินเนี่ยจะไปนั่งเนี่ยเจ้าค่ะก็วันคิดว่ามันไม่มีสติมันก็ต้องทำไมเวลาเดินกลับมีสติเวลา น, นั่งกลับไม่มีสติทําไมล่ะก็ตนะัวเราไม่ทราบตัวเราแล้วใครจะทราบ ก็เราปล่อยสิเราไม่พอเรานั่งเราก็เราก็ไม่รักษามันมันก็มันก็ไม่มีเลยเวลาเดินเรารักษามันพอเรานั่งเราไม่รักษามันมันก็ไม่มีมันเหมือนพยายามประคองไว้แต่พอมันไปจะไปนั่งเนี่ยมันมันมันปุ๊บออกไปมันเหมือหลุดออกไปแล้วมันก็มันไม่ไม่ไม่ดิ้นมกลับมาใหม่มันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วก็อย่าไปนั่งก็เดินมาเรื่อยๆก็ไม่ต้องนั่งใช่ไหมเพิ่ม ถ้าถ้าเดินแล้วมันได้สมาธิก็โอเคถ้ามันไม่ได้ก็ต้องหาวิธีทําให้มันได้สมาธิเพราะฉนั้นเป็นเพียงการเจริญสติถ้าจิตไม่รู้มันก็ยังมันก็ยังไม่ได้สมาธิคือจิตมันอาจจะนิ่งแต่ยังไม่ถึงก็เป็นสมาธิอย่างไรยังไม่เป็นอับปนาสมาธินแต่มันนิ่งมันนิ่งเลยนะันข้ามอนรู้สึกว่าใจมันนิ่งไม่คิดไม่ได้คิดอะไรแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบ โลบุบล้าบอะไรอย่างนันแต่ว่าพอพยายามประคองแล้วพยายามจะมานั่งเลยเจ้าค่ะในใช่วงที่ประคองแล้วจะมานั่งมันเหมือนเริ่มเปลี่ยนอะไรเลี้าค่ะมันมนก็ไม่เหมือนเดิ ม, มก็ไม่ทราบเหมือนกันมันทําไมไม่รักษาเวลาเดินรักษาได้เวลามานั่งกลับไม่มีไม่ไม่รักษาก็ไม่ทราบเหมือนกันต้องถามตัวเองต้งคนดูตัวเองว่าทําไมเวลานั่งแล้วไม่มีสติทำไมเดินถึงมีสติ สติมันไม่ได้อยู่กับท่าเดินท่านั่งตสติเป็นความต่อเนื่องนะจ๊ะเพราะว่าช่วงที่เดินมาเดินหรือนั่งเหมือนกนะันแล้วพอพอเปลี่ยนเนี่ยมันมันจะต้องเปลี่ยนจากมันไม่ได้มันไม่ได้นั่งอยู่แถวนั้นมันมันต้องขึ้นไปนั่งบนกุฏนะอา่าก็เวลาเดินก็เดินจากที่เดินยจงกรมเดินขึ้นไปกุฏิก็รักมันก็มีสติต่อไปที่ทำไมไปทิ่งมันล่ะช่วงนั้นเนี่ยช่วงยหาะจังทางจงกรมไปขึ้นไปที่นั่งก็ก็เหมือนกับเดินจงกรมต่อไปที่ เราเก็คิดว่า ม, มันพยายามจะอย่างนั้นเนไงเจ้าค่ะแต่ท่า น, นี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีอินทรียหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจามันก็เลยทําให้เหมือนใจมันไม่ก็เราไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีสตินก็ไม่มีสติมัน จ, จะว่ายังไงจเข้าใจนะจุดมันมันก็แสดงว่าช่วงที่เราเดินขึ้นไปกุติเนี่ยมันก็คลมเราไม่มีสติแล้วใจเราลอยแล้วอเพอนั่งก็ยิ่งลอยใหญ่เลยไม่คุมมันละ ทำใไม่คุมต่อไปน่ะใช่อะไรเป็นการสร้างสติอะในช่วงที่เดินเนี่ยจะ่าใช้ใช้เท้าแล้วเวลาเดินคุณกติมันก็้องเดินเหมือนกันไม่ใช่ไหมเดินอนกันไมแต่ตอนนั้นไปที่ไม่ได้ก่หนดต่อแล้วก็กำหนดต่อไปเลยกำหนดเวลานั่งก็กำหเวลายืนก็กาหนดว่ายืนกาลังนั่งก็กาหนดนั่งต่อไปเลก็ดูมันต่อไปพอนั่งเสร็จกา จะดูอย่างอื่นแทนก็ได้ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้คือเนี่ยทุกครั้รู้สึกว่ามันถูกกับการเดินเพราะว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่จับต้องได้ชัดกับเท้าเราเนี่ยทุกครัเราจะกําหนดได้ตลอดซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็มันก็เลยถ้าไม่มีสติแล้วมันอยู่ท่าไหนมันก็มีสตินั่นแหละมันยังไม่มีสติมันก็พอมันเปลี่ยนท่ามันหายมันก็หายไปทํายังไม่รักษามันต่อมันก็หายไป เราต้องสุดให้มีสติยังกระทั่งสามารถที่จะมีสติไม่ว่าอยู่ในท่าไหนได้อ๋อเข้าใจลนะคือหน่อยผิดตรงนี้เจ้าค่ะเพราะว่าใจมันนิ่งน่ะก็เลยพยายามประคองความนิ่งแล้วไม่ได้อยู่กับเท้าแล้วตอนช่วงที่ขึ้นคุณ ต, ติประคองผลเนี่ยไม่ประคองเห็นอ๋อใช่แนะน่นอนเพอไม่มีเห็นเนยความนิ่งมันก็หายไป เพราะตอนนั eh? the Then, man, you ้นเนี่ยม hmm. hmm. ันรู้แล้วว่ามันใจมันนิ่งแล้วก็หลับครับนิ่งไม่ได้ไปคลองมันมันนิ่งเพราะมันมีเหตุทําให้มันนิ่งแล้วประคองเหตุมันก็นิ่งพอเราไปคลองพอคคองผลไม่ประคองเหตุเพราะไม่มีเหตุเดี๋ยวมันก็หายนิ่งใช่ก็ใจแล้วเพราะว่าคอมันมันนิ่งมันไม่อยู่นานพอสมควรก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปนั่งแล้วเนี่ยจะผาแล้วพอช่วงนั้นในกระฟ้าก็เริ่มรู้สึกว่าเราจะต้องเอาไอ้ความนิ่งเนี่ยไว้กับตัวเราแล้วก็ประคองไม่ได้สนใจกับเท้าแล้ว มันคงหยุดช่วงนั้นได้พอไปนั่งมันก็พยายามจะพูดโทรอะไรแต่นี้มันก็ไม่ค่อยอยู่แล้วมันไปคิดอะไรไปละเปิดกล้องให้ลิงออกนะเพราะฉะนั้นพอเราถึงนิ่งยังไงเราก็ต้องไม่สนใจก็นั่งปิดกรงไว้อยู่เรื่อยๆเพราะว่าเราไปสนใจกับความนิ่งแล้วก็เลยคิดแล้วว่าเห็นเห็นึิงมันนิ่งอะไรเปิดประตูให้มันพอลิงมันเห็นเปิดประตูมันก็รับไปเลย ไปไม่กลับยังคิด่อไที่ทำหลอกไม่ได้อยู่กับเท้าแล้วรู้สึกที่ว่ามันไม่ีเนื้ออยคอันไว้อ่มันนิดเดียวอาจารคะจะเป็น ที่แบบมีพูดโทรตลอดแบบว่าสั่งให้หยุดคิดได้แล้วก็เข้าสู่ความสงบได้นี่ต้องทํามากพอต้องทํามากๆเลยใช่ไหมการท่าที่มันได้ผมเยะ ม, มากไม่นอนก็ไม่รู้อะบางคนก็ห้านาทีสร็จสิบนาทีเขาก็ได้ไบางคนก็ห้าปีสิบปีถึงจะได้ก็มีห้าปีสิบปีมีหวังใช่ไหมครับแต่ละคนไม่เหมือนกันอะจะพูดยั ง, ยยงไง กินข้าวยังอิม่มแล้วอิ่มช้าต่างกันเลยเนี่ย ท, ที่หลวงตาบอกว่าต้องพุดโทรตลอดแล้วพยายามปิดช่องให้มันคิดอะไรอยเพอมาตั้งใจทําจริงมันยากพอช่องมันออกมานิดเดียวมันก็ขยายใหญ่เลยกว่าจะปิดได้มันก็เนหนื่อยแล้วมทําอะไปมันก็ได้แลนะ้วไม่ทำทำไมดนะ้วยพอมีสักเรื่องเข้ามาคือมันก็ยืดเป็นแยงหนึ่งมุมช า, าคิดชอปล่อยเปิดช่องน้ำกว้างไว้เนื่อย มันหนึงห่งมีพุทโธอยู่ต่อเ น, นื่องทักทักทักสี่ช่วงตีได้คนใหญ่าหายแต่กลับอะไรไปหมดหกับเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็นเหมือนเส้นภูเขาเส้นผมบางพูเขาเส้นผมเล็กๆมันปิดภูเขาได้ไดการ การไม่มีสตินี้ก็มันเหมือนกับเส้นผมมันหลอกเราให้เราไม่มีสติตอนที่ไม่รู้เสึกตัว mm hmm. ไม่เห็นความสําคัญของเส้นผมตัวนี้ที่มันบังตาเรา mm hmm. ไม่เด้งมันออกมันปิดภูเขางูกบอลเลื่มเทิมได้ mm hmm. การไม่มีสตินี่มันปิดกัน้นทํามันยิ่งใหญ่ mm hmm. คือสมาธิปัญญาได้อย่างสบาย พอเราเห็นว่ามันไม่สำคัญะเช่นผมนิดเดียวไม่เห็นความสำคัญของการเผยสติว่ามันไร้ากาศขนาดไหนถ้าปล่อยให้มันเผอใจลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นก็เห็นความสำคัญแต่ว่ามันมันยากมากเพราะว่ามันนิสัยมันเป็นแบบคิดชอบคิดเลยทำยังไงล่ะทำ เราไม่ทำอห้ก็ต้องทำเราทำอะไรให้ไม่ได้เป็นต้องฝึกด้วยพระอาจารย์ถ้าเวลานั่งล่างไปแล้วทีนี้มันเหมือนเด็กกระตุกอัวค่ะแล้วมันก็จะเปลี่ยนอารมณ์นะคะอย่าไปสนใจมันเลยนอไปไม่เราต้องอยู่กับอพุทโธด้วยอยู่กับที่อะไรที่เราใช้เป็นเครื่องผูกใจก็อยู่กับมันไป เรนใช้อะไรลม ก, ก็อยู่ก็พุทธโทธไปพุโทโธแล้วบางทีก็มาใช้ดมได้แล้วแต่ก็แล้วแต่จังหวะคะ่ะแต่ว่าทีนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับว่าบุ๊ปอะไรบบ น, นี้คะ่ะมันเหมือนกับมันเปลี่ยนอารมณ์ไปะคะ่ะก็ช่างของมันอย่าไปสนใจมันเราอย่าไปเปลี่ยนตามมันเลยล้วก็อยู่พุทโธไปเาแล้วนะได้แล้วนไะ <laughs> ม่เป็นไรนะ คืคุณแม่ฝากถาท่านฝากขอมาทําบุญนี้ท่านจะได้บุญถ้าเป็นของคุณแม่ก็ได้ถ้าเป็นของคนอื่นก็ไม่ได้อย่างเรามาทําบุญแล้วบอกคุณแม่ว่ามาทําบุญให้คุณแม่ี่โดยที่คุณแม่ไม่ได้สั่งไม่ได้เสียของที่จะมาทําบุญนี้คุณแม่ก็ไม่ได้นอกจากได้อนุโมทนาบุญว่าเออดีใจกับลูกที่ลูกได้มาทําบุญได้ความสุขเล็กๆน้อยๆจากการทําบุญของลูกแต่บุญที่ได้จากการทําบุญนี้ไม่มี แต่ถ้าคุณแม่เป็นคนจัดเตรียงของไม่ต้องจัดเตรียงก็ได้มีเงินแล้วก็บอกลูกช่วยไปซื้อของให้แม่ทำบุญให้หน่อยแค่นี้ก็ได้แล้วสำคัญขอให้เราเสียสละยิ่งเสียมากเท่าไหร่ยิ่งได้บุญมาก ใส่บาทเทพาคแม่ชีบุญสวนเอาปสตยไปร่วมก็ได้บุญใช่ไหมอะไรถ้าเป็นของเราเนี่ยแล้วเราเสียสละไปเนี่ยเป็นบุญทำไมการทำบุญก็คือการแบ่งปันเสียสละประโยชน์สุขของตนให้แก่ผู้อื่นเป็นบุญไม่ใช่เอาเงินของคนอื่นไปทำบุญนี้เราไม่ได้บุญน คนที่เราไปเอามาเนี่ยเขาได้บุญแต่เขาก็ไม่ได้บุญถ้าเราไปขโมยมาแล้วก็เสียดายเงินที่ขายไปขเขาก็ไม่ได้บุญแต่ถ้าเขาคิดว่าเงินเหมือนเงินทําบุญเว้ยใครเอาไปเขาเอาไปขเขาก็ได้บุญบุญเกิดขึ้อยากใจปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดกับทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆนั่นคือเป้าหมายของการทําบุญอีกทั้งนั้น บางทีเราอาจจะถูกทําบุญโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเช่นของหายไป oh. ของหาย <laughs> <laughs> แล้วเราที่ว่าช่างมันเหมือนกับทําบุญไว้เที่ยวข้ามันเนี่ยมันก็เหมือนกับทําบุญอะ่ะอ <c oughs> ถ้าคิดอย่างนี้ใจมันก็เป็นบุญขึ้นมามันก็มีความสุขขึ้นมาดีซะอีกไม่ต้องไปถึงวัดมีคนมารับของจากที่บ้าน <c oughs> ที่บ้านเลยไม่ต้องเหนื่อย <c oughs> แล้วดีไม่ไดีได้ของใหม่ใช้ แจ้ขงขโมยทีวีไปก็ต้องซื้อทีวีใหม่มาใช้ทดแทนมองโลกในแง่ดีแล้วยังมีความสุขหรือถ้าไม่มีทีวีก็ไม่ต้องดูมันเลยถือสีตากเลยจริงดีใหญ่ดีทั้งนั้นเห็นไหมถ้ารู้จักรู้จักมองความจริงอะมองโลกในแง่ดีมันดีทั้งนั้นแหะแต่คนโง่าจาลองด้วยความทุกข์โอ้ยเสียดายของฉัน <S <S ฉันหามาแทบเป็นแทบตาย จะซื้อใหม่ก็เสียดายเงินเอีกเสียหมดเลยทุกอย่างไม่มีความสุขสักอย่างใช่ไหอใช่